หนังสือที่หลวงพ่อแจกไปที่ให้เนี่ยน่ยไอ้พวกเราอ่านอ่านด้วยสิมีคติเตือนใจและหลายอย่างมองโลกได้ทุกแง่ทุก ม, มุมทั้งพ่อทั้งแม่ต้องอ่านด้วยกันเหมือนกันนะวิธีการสอนลูกนะั้นสอนอย่างไรสําหรับลูกก็เหมือนกันในฐานะที่เราเป็นลูกเราควรจะทําตัวอย่างไรหลวงพ่ออ่านดูแล้ว มีคติเตือนใจบางงั้นแหลอผู้ที่ได้อ่านเนี่ยจะได้ความรู้ประดับสติปัญญาคือนานาจิตตังนานาทัศนะบางเรื่องบางเราเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่บางเรื่องบางเราเออใชอ่เป็นจริงอย่างที่ท่านเขียนแต่เราจะให้เห็นทุกอย่างก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้น ควรจะขัดแย้งทุกอย่างกกไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงผู้ที่เขียนท่านก็อพอประสบการณ์มาแล้วได้ศึกษามาแล้วได้ไตรตรองด้วยสติปัญญาของท่านกันกรองด้วยสติปัญญาของท่านออกมาแล้วท่านจึงเขียนเป็นตัวหนังสือนะแต่ถ้าว่าเป็นคําพูดนี่บางครั้งบางทีมันพูดเร็วเกินไปพูดไวเกินไปเห็นอาจจะพังเพลอออกไปแต่ถ้าว่า เขียนเป็นตัวหนังสือออกมาแล้วเนี่ยนี่แหละระหว่าการกรองแล้วนะแต่หลวงพ่อได้อ่านอ่านดูก็รู้สึกว่าเป็นแนวความคิดที่ดีสําหรับโยมบิดาของท่านที่สอนลูกๆท่านสอนยังไงรู้สึกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีแต่ลูกก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นประชาธิปไตยที่นอกขอบเขตเป็นประชาธิปไตยอยู่ในกรอบของศีลธรรม ไม่ใช่จะทำอะไรอย่างที่เราชอบเราจะทำสิ่งใดเราก็ต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ของเราด้วยอย่างพวกเราบางคนเอการสูบบุหรี่อย่างเนี้ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะสูบเพราะคนทั้งหลายเขาสูบท่านก็ให้ความคิดเห็นว่าใช่ในเมื่อเขาหาเงินหาเงินได้เอง จะสู b ก็ไม่ว่าแต่ว่าในขณะที่กินเงินพ่อเงินแม่อยู่เนี่ยใช้เงินพ่อเงินแม่เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงลูกบำรุงร่างกายของลูกเพื่อการศึกษาของลูกจะไม่ให้ใช้เงินออกนอกรูกนอกทางสิ่งไหนที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์พ่อแม่ก็ไม่อยากจะให้ใช้พอเงินของพ่อแม่เนี่ยหามันด้วยความยากลาบากอั น, นี้ก็เป็นแนวกติสาหรับ สอนลูกหลานทางลูกหลานมีแนวความคิดก็จะได้คิดทบทวนอึ้ใช่ก่อนที่เราจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราได้คิดดีแล้วอย่างมันเกิดประโยชน์ไหมใช้คุ้มค่าไหมหรือเราใช้ไปโดยอิรุยชูแชกถ้าว่าเจ้าของเงินเขาคือพ่อแม่หรือผู้ให้ทุนกับเรามานี่ถ้าเราเอาไปใช้อย่างนี้เนี่ยถ้าพ่อแม่รู้ว่าเราเอาไปใช้อย่างนี้ พ่อแม่จะพอใจไหมเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เราต้องหัวใจท่านหัวใจเราต่อไปถ้าเราเป็นนักเหตุผลเราอยู่ในกรอบของเหตุผลจะใช้จะจ่ายอะไรจะพูดจะคิดจะทำอะไรอยู่ในกรอบเหตุผลต่อไปเป็นผู้ใหญ่ภายภาคหน้าเราก็เป็นผู้มีเหตุผลไม่ ปั่มเปอเปอ๋เปอทำอะไรแบบใจชอบพอเราอยู่ในกรอบเพราะนั้นเรื่องกรอบของศิลธรรมนี่ควรจะฝึกไว้ตั้งแต่เด็กแต่เล็กนั่นนะดีนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดแต่ลูกก็ต้องคิดพ่อแม่มีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยพ่อแม่กับลูกเนี่ยโดยมากจะสวนทางกันอยู่เรื่อย แต่ตามไม่จริงพ่อแม่เนเจตนาดีกับลูกอย่างสุดๆนะลูกหลานนะท่านเจตนาดีอยากจะให้ลูกของท่านเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมนะ เ, เพราะนั้นเราต้องดูเจตนาของพ่อของแม่ของพวกเรานะ อ, อ, อย่างที่หน้าที่ของพ่อแม่นะคืออะไรที่ท่านเลี้ยงลูกนะห้ามไม่ทาความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดี ให้เรียนศิลปวิทยาหาครูครองที่เหมาะสมให้หมอบทรัพย์ให้ในสมัยนะี่อันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่นะกับลูกนะ เ, เพราะนั้นการที่พ่อแม่ไม่ให้ลูกตัวเองทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นพุทธพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี่ท่านสอนว่าเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ได้ลูกมา ถ้าไม่เขาทําความชั่วคือหน้าที่ของพ่อของแม่เออไม่ใช่ว่าลูกทําอะไรก็เอาทําอะไรลูกเออขโมยมาเลยป่นมาเลยจี้มันเล ย, อ เ, ล ย, เ, ลยเอลักขโมยมาเลยฆ่าตีมันเลยเอทุบตีมันเลยคดโกงมันเลยเอจะส่งเสริมในงานได้ยังไงพ่อแม่จะทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าสิ่งที่มันไม่ดีพ่อแม่มองแล้วเออสิ่งนี้มันไม่ดีถ้าลูกของเราทําไปแล้วจะเสียอนาคตนั่นเนี่ย พ่อแม่ก็ต้องห้ามอย่าทำความชั่วนะลูกนะสิ่งที่มันชั่วอย่าทำนะลูกนะให้เป็นคนดีนะลูกนะให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมประเทศชาตินะลูกนะอันนี้แปลว่าห้ามไม่ทำความชั่วแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีอีกเอออันนี้คือความดีนะลูกนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะให้ตั้งอกตั้งใจในการศึกษาเอออย่าไปเที่ยวเตอย่าไปกินยาเสพติดอย่าไป คบหมู่พวกเพื่อนที่ไม่ดีนะลูกนะให้คบเพื่อนที่ดีมีกิริยามารยาทที่ดีนะลูกนะเอออันนี้คือพ่อแม่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องสอนอย่างนี้นะจากนั้นท่าน่็ส่งเสริมให้เรียนศิลปะวิทยาศิลปะวิทยาก็คือการศึกษาทุกรูปแบบที่ให้ลูกจะเอาตัวรอดได้เมื่อลูกหญิงลูกชายของเราใหญ่ขึ้นมาแล้วลูกของเราจะทำหน้าที่อะไรอย่างไร ต่อไปในอนาคตถ้าพ่อแม่เป็นครูกับพ่อแม่ก็เออถ้าเป็นครูได้อย่างเราก็ดีเพื่อจะได้ลูกของเราเอาตัวรอดได้ถ้าพ่อเป็นทหารพ่อแม่เขาก็แนะนำถ้าพ่อแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าโรงเจ้าของโรงงานอะไรก็ตามเขาก็อยากจะให้ลูกของเขาทำอย่างที่พ่อแม่ทำหรือเหนือกว่าบางทีพ่อแม่เป็นชาวนาอย่างนี้ออไม่ใช่อยากจะให้ลูกทานานะ อยากจะส่งลูกให้เรียนให้เป็นข้าราชการหรือเป็นพ่อค้าที่เหนือกว่าเพราะว่าทําไร่ทํานามันทุกยากและเกินลูกเล ย, เยก่อนที่จะมาได้ข้าวมาซื้อมาขายมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่โดยมากชาวนาจะาพยายามมุ่งเน้นอยากจะให้ลูกตัวเองก้าวหน้าส่งเสียลูกตัวเองให้เรียนหนังสือนะ่ยอันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่ว่าให้เรียนศิลปะวิทยายแล้วก็หา ครอบครัวที่สมควรให้ใครเข้าว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มองว่าเออลูกของเราใหญ่ขึ้นมาแล้วจะมีคู่ครองยังไงเป็นคนดีแต่เป็นเด็กผู้หญิงออทางพ่อแม่ก็มองดูว่าออตระกูลของเราเหมาะสมกับตระกูลของเขาอย่างไร อ, อ, อันนี้ก็คือหาคู่ครองที่เหมาะสมใหเออ้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่ทุกวันนี้คานี้รู้สึกว่าเขาหาเองงั้นเถอะกับพ่อแม่ก็ปล่อยตามเยอมากกว่า อันนี้พบตามยุคตามสมัยนะแต่ทีนี้สุดท้ายเท่าว่ามอบทรัพย์ให้ในสมัยมอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยคือคือสมัยพ่อแม่แก่เท่าชราเออเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราเออลูกเอยมรดกของพ่อของแม่ที่หามาเพื่อลูกนั่นแหละลูกมีกี่คนเออก็มาแบ่งสรรปันส่วนลูกคนไหนอยู่ใกล้พ่อไกลแม่เออคนนี้ควรจะได้อย่างนี้คนนั้นได้อย่างนั้น คนนั้นได้เรียนศึกษาสูงแล้วควรจะได้อย่างนั้นควรนี่การศึกษาเขาต่ำอยูพอ่พ่อไม่ได้ส่งพราะมาช่วยพ่อช่วยแม่ควรจะให้อย่างนี้พ่อแม่ก็ต้องได้คิดคือมอบทรัพย์ให้ในสมัยคือสมัยตัวเองที่จะล้มหายตายจากลูกไปแล้วอันนี้คือหน้าที่ของพ่อของแม่เป็นห่วงลูกจนนาทีสุดท้ายเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกหลานทั้งหลายต้องคิดให้ดีตั้งใจคิดให้ดีหลับตาคิดให้ดี ที่พวกเราจะทำอะไรนอกหลู่นอกทางก็ให้พวกเราซ้ำเนียกว้านะที่อย่างหลวงพ่อพูดทางว่าพวกเราคิดให้ดีแล้วนั่นแหละความถูกต้องก็จะเข้ามาสู่พวกเราเหตุผลก็จะเข้ามาสู่พวกเราอันนี้ก็คือพ่อแม่กับลูกนะทีนี้พวกลูกมีหน้าที่อะไรกับพ่อแม่ท่านก็บอกว่า พ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนะต้องแสดงความกะตันยูกระตัดเวทิตาแล้วนะที่นี่นะเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเกิดขึ้นมาแต่เล็กแต่น้อยพวกเราเคยเห็นเด็กไหมที่เกิดมาจากพ่อแม่คนอื่นๆเราก็ไม่แพ้กันกับเด็กเหล่านั้น เ, เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ น, นี่หงายท้องตัวแดงร้องตักแงกแทงแงกแทงแงกักแงกนะเไม่รู้อะไร แต่ได้พ่อแม่ก็ต้องประครับประคองบางทีร้องไห้กลางค่ํากลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะลูกตัวเองร้องไห้เป็นทุกข์เป็นยากกว่าจะเป็นเด็กขึ้นมารู้เดียงสาภาวะเนี่ยไม่มีใครที่จะคิดว่าเลี้ยงลูกคนนี้ขึ้นมากินเงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ไม่มีใครคิดเพราะความรักลูกนั้น ย, ยิ่งกว่าเกือบจะว่ายิ่งกว่าชีวิตนั่นแหะถ้าเป็นสัตว์ที่ไนกัเราเห็นสิแต่ถ้าใครไปจับลูกมานโอ้โหมันห่วง เขาจะฆ่าจะตีแม่มันก็มันปกป้องลูกคนนันมันอย่างสุดๆมนุษย์ของเราก็เช่นเดียวกันรักลูกเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์คนแรกหรือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นพรมของบท ธ, ธิดาท่านเปรียบเทียบได้หลายอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงว่า เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจทุระของท่านดํารงวงศ์สกุลดํารงวงศ์สกุลสกุลของเราเป็นยังไงแค่ว่าให้รักษาเอาไว้อย่ามาสัมมาเลเทมเาคือรักษาสกุลของเราเอาไว้สกุลของเราเป็นมาอย่างไรเราควรจะรักษาสกุลของเราเอาไว้แลประพฤติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดก ประพฤตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกคล้ายๆกันว่าถ้าตัวเองไปกินเหล้าเมายาพ่อแม่ก็ไม่รู้จะมอบเงินให้ยังไงถ้าตัวเองเป็นคนชั่วพ่อแม่ก็ไม่รู้จะมอบมรดกให้อย่างไรเพราะว่าถ้ามอบไปแล้วก็๋วมันจะเสียหายเพราะฉะนั้นเราควรจะทําตัว เ, ออเป็นคนดีให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกของพ่อของแม่และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบทอุทิศส่วนกุศลให้ท่านถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ เราก็ต้องดูแลท่านเก็บไข้ได้ป่วยอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเป็นหน้าที่ของบุตรทิดาที่จะต้องดูแลพ่อดูแลแม่แต่ถ้าว่าเมื่อท่านตายไปแล้วหลวงรับไปแล้วเราก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะว่าร่างกายของเรานี่ได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยือก้อนทุนก้อนทุนที่พ่อแม่ให้มานี่ยเราเอาก้อนทุนนี้ไปโสแสวงหาทรัพย์จนได้เงินทรัพย์สมบัติมาแล้ว เราจะทำยังไงเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ให้เงินท่านใช้ให้ผ้าท่านเสื้อผ้าท่านยาแก้โรคภัยไข้เจ็บบารุงท่านอาหารการบริโภคให้ท่านแต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราจะให้แก่ใครเพราะทุนของท่านที่ให้เรายังมีอยู่คือร่างกายของเราเนี่ยคือได้มาจากพ่อแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติมา ด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเราด้วยหยาดเหงื่อของพวกเรานะเราก็นำของที่เราได้มานั้นถวายไว้ในพระพุทธ ศ, ศาสนาบ้างสร้างโรงเรียนบ้างสร้างโรงพยาบาลบ้างช่วยคนชลาบ้างสรุปแล้วก็คือให้ช่วยสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทำบุญกับไว้ในพระพุทธศาสนาอ ย, อย่างพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยที่มาอย่างนี้ในมานั่งสารงลาอย่างนี้ เงินมาจากไหนเงินมาจากพี่น้องประชาชนทีละบาททีละาตางค์ทีละร้ละลอยละพันละหมื่นละแสนมารวมกันสร้างเป็นสถานที่ประพฤติธปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่บาเพ็ญธรรมก็ได้มาจากลูกหลานออกตนญาติโยมเยนะมาสร้างสาธารณประโยชน์อย่างนี้อันนี้ก็คือการทาบุญไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือหน้าที่ของลูกข้าหน้าที่ของพ่อของแม่ ห้ามไม่ให้ทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้เรียนศิลปะวิทยาหาครูครองที่เหมาะสมให้หมอบทรัพย์ภายในสมัย อ, อ, อันนี้คือหน้าที่พ่อแม่หน้าที่ของลูก เ, เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบออทําธุระของท่านทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านะ อันนี้คือหน้าที่ของลูกนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังหลวงพ่ อ, อพูดให้ฟังแล้วก็นําไปสําเนียกสํานึกนะหลวงพ่อพูดให้ลูกหลานได้คิดเพราะทุกวันนี้รู้สึกว่าสิ่งยั่วยวนภายนอกมีมากจนลืมศีลธรรมลืมจริยธรรมในจิตในใจเพราะแท น, นพวกลูกหลานทั้งหลายต้องให้รู้จักพ่อแม่ก็คือเป็นผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนสั่ง อย่างหลวงพ่อกําลังพูดนี่ยการสอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนลูกหลานออกตนญาติโยมให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรทําไม่ควรทำํำลูกหลานเ อ, อ่อย่าทำเอ่อย่างนั้นอย่างนี้เน้อควรคิดอย่างนี้อย่างนั้นเน้ออย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละนะวันนี้หลวงพ่อได้พูด เ, เรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานได้ฟังเพราะวันนี้เห็นเด็กนักเรียนมาปิดภาคเรียนนะ เขาวัดขาวาหลวงพ่อเห็นแล้วก็หลวงพ่อก็ภาคภูมิใจกับลูกหลานให้รู้จักวัดวาศาสนาแล้วก็เมื่อได้ยินหลวงพ่อพูดก็นำไปคิดไปพิจารณาน้นลูกหลานนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรสัพโรคาวีนิมุตโตสพาพปาสันตาปวาว